บุ๊กทูห้าสิบห้า 55, 55. การทำงานยบบคุณทำอาชีพอะไรคะวายยบบะเดรเมสามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ ม a นนนน์ยุบเบอร์สมเลเก e ดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมงฉันยุบเบอร์เดลติดส e สุขเพลยอีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนานบเแต่ภาษีสูงมากมกนอร์ส และค่าประกันสุขภาพก็สูงโอเหลอ์ิริเนอร์ดร์หนูอยากเป็นอะไรในอนาคตาฮดูลิสติลอบลีหนูอยากเป็นวิศวกรยยวิลบลีอินิเร์หนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยยัยวิลสตูเดเรเิวิเตต ดิฉันเป็นพนักงานฝึกหัด j ั g เ r p r a k t i k ด n t ดฉันดฉันมี็นฝึกหด้ักัดฉันฝึกหัดฉันเป็นฝึกหดฉปดฉันเฝึกฉันเป็นฝึกหันป็นหนเป็นฝดฉเป็นฝ t กหัดฉันเป็นฝหัดนหันเาของดิฉันดฉฉันัน ดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีย้ายหาดีเกลีย์คู่เล่เกดเราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอมีสปีซ์ลุนช์อีคอนเทนนอดิฉันกำลังมองหางานย้ายเสกิตริบดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้ว ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจ t t år าที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจมากีน้มีคนว่างงานจำนวนมาก Här i ร a n d e t är det för า å n g a a r b e นมากทีปที่กปรที่างประเทนี่งงานจำะเางวนมารเนวงระเ่านวนม่เว่าร่นม่่า